มัคนคุณสูตรท่านสอนให้โคบัณฑิษเนี่ยแลวกคุณทานคุณทานคือหายใจจะของทา น, น, นเองเป็นอันดับแรกคุณทานภายนอกทานภายในแล้วมันก็เป็นคุณทานอยู่ภายในใจตัวเองมันคอยทานอยู่เรื่อยยุ่งอยู่เล ย, ย, เลยลวลาไปอยู่กับครูกับอาจารย์ ได้รับการอบรมอยู่เสมอจากบันดิท่านเป็น อ, อาจารย์ท่านเป็นบันดิมันมีความเฉลียวฉลาดอุบายต่างๆที่ท่านนํามาสั่งสอนเราท่านเคยปฏิบัติแนละรู้มาแล้วทุกอย่างการสอนจึงถูกต้องแน่นยาเป็นที่แน่ใจได้สำหรับผู้ฟังไม่มีสงสัยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์มั่นไม่เคยปรากฏเลยที่ท่านแสดงว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้ไม่มีเลย มีแแน่วลงแนวลงให้เป็นที่แน่ใจเพราะเอาความจริงมาพูดล้วนๆขึ้นถอนมาจากจิตใจที่เคยได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติมาแล้วด้วยดีมีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไวยแล้วรายไหนอ่อนแอแล้วท่านขู่ไว้แล้วให้อ่อนแอใครร่องครางอืออาแล้วเอานั่นนะเป็นโกสเป็น่ะ ไม่ต้องหาหยุดหายาไม่ต้องมีใครดูแลรักษาหนะ้างอืออ า, านเป็นโอสซนแล้วสําหรับคนนั้นแต่ว่าการร้องการค้างมันเป็นประโยชน์จริงๆนะเราจะหาหยุดหายาทํำไม่เนี่ยเวลาท่านย้อนกลับมาร้องค้างเอาสิใครร้องค้างก็ได้เด็กร้องก็ยังได้ถ้ามันเป็นประโยชน์ นี่มันไม่เป็นประโยชน์นั่นเองถึงไม่ควรจะไปล้องไปคลางไปอ่อนแอเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์แสดงตัวอย่างนั้นมันดูได้เมื่อไหร่ถ้าเป็นเด็กหรือเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปมันก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่รับการอบรมไม่ศึกษาอะไรพอรู้พอเข้าใจในแนวทางที่จะต่อสู้ที่จะพิพจริรณานี่เรารูท้ทุกสิ่งทุกอย่างเว ล, ลาเกิดเรื่องเกิดราขึ้นมาพายตัวเองหาทางที่จะ ถ้กษาตัวไม่ได้ไมันจะล้มระเนระนาดไปเลยท่านอาจารย์มันท่านเทศสอนปลุกอีกปลุกใจนี่เก่งมากทีเดียวทีนี้เราพูดตั้งบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ไปด้วยความตั้งใจไปทึกษาวลมจากท่านฟังอะไรนก็ถึงใจถึงใจถึงใจสิ่งที่ควรจะปฏิบัติเขต้องปฏิบัติไปเลยสิ่งที่ควรเข้าใจในขณะนั้นก็เข้าใจ เปเรื่องเป็นเรื่องภายในเข้าใจไปโดยลําดับตัวอย่างการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านสอนวิธีพี่เจรนาอ้ า, เ, อาเวลามันเป็นไข้มันเอาไข่ามาจากไหนท่นว่าที่ท่านสอนให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติมันไปหอบไข้หอบหนาวมาจากไหนมันก็มีขึ้นมาเกิดขึ้นในกายเรามีให้เหล อ, อเวลาหายมันจะไปหายที่ไหน มันเกิดขึ้นมาคือเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งมวลนั้นมันก็เป็นสัจธรรมํามมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้จะพิจารณาอะไรพระพุทธเจ้าจะสรุ้ด้วยสัจธรรมสาวกจัดสรู้ด้วยสัจธรรมเราจะจัดสรุ้ด้วยความอ่อนแอนั้นได้หรือนั่นข้ามกันได้หรือกระทำของพระพุทธเจ้าจากนั้นเราก็มาฝังธรรมด้วยมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนอาการใดแล้วลองถามเขาดู มันเจ็บที่ตรงนั้นปวดที่ตรงนี้เน่ะอะไรเป็นผู้เจ็บอะไรเป็นผู้ปวดค้นเข้าไปให้เห็นต้นเหตุมันเล่ยมันปวดที่ตรงไห น, นเจ็บที่ตรงไหน дела? อะไรเป็นสาเหตุทีามันเจ็บมันปวดใครเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายเวลาตายแล้วพอไปเผาไฟมันเจ็บมันปวดไหมใครเป็นผู้หลอกลวงตัวเองว่าเจ็บนั่นปวดนี่พิจารณาเห็นต้นเหตุของมันเนี่ยถ้าเป็นนักปฏิบัติมารู้ต้นเหตุ ไม่รู้ทั้งผลคือความทุกข์มารู้ทั้งต้นเหตุที่มเป็นสาเหตุมันจะแก้ทุกข์ได้ยังไงปัญญาเอหาปัญญาไว้ทําไมทํำไมไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาปัญญาก็เพื่อที่รู้สิ่ ง, งต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายและจิตใจของตนเองออืสอนย้ําลงไปโดยลำหนักลำหนาะผู้ฟังซึ่งฟังด้วยความตั้งใจเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นวิสัยอาหฐารจะยิ่งจับได้ง่ายถูกสริตทันทีทันที แต่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะเพน้เวลาไปอยู่ในสถานที่ใดก็เหมือนกับท่านแสดงกลางวานอยู่ในหัวใจโอว่าน้องท่านจําได้ทุกแหน่ทุกกระทงที่สําคัญสําคัญสำหรับที่จะมาเป็นเครื่องมือเราในการปฏิบัติซึ่งอยู่ในสถานที่สําคัญสําคัญเช่นนัน้นก็หนึ่งว่าท่านมาอยู่ที่หัวใจเราเลย เหตุมันก็อาหารหน้าเลยการศึกษาดูทำเห็นธทำแล้เข้าใจในอัตในธรรมมันเข้าใจด้วยความอาหารเข้าใจด้วยความเป็นนักต่อสู้ไม่ได้เข้าใจด้วยความอ่อนแอความท้อแท้ความเลีวไหลความถอยท้าบกับแพ้โดยลำดับนั้นไม่ใช่ทางที่กิเลสจะกลัวไม่ใช่ทางที่จะแก้ไขกิเลสหรือรู้ด ว, ด ว, ดวขงของกิเลสทั้งหลายจนกระทั่งถึงถอดถอนได้ ในศาสนาแล้วไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่าหาที่แย้งไม่มีถากเราดําเนินตามหลักศาสนาแล้วเอเรือนําตารางตะิตลงเหล่านี้ไม่ต้องมีมีทําไมผมไม่มีใครจะไปทําผิดมองเห็นตามเหตุตามผลยอมรับความผิดถูกชั่วดีของการละกันเล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้สำหรับคนเราคนเราอันนี้ไม่ยอม ผิดก็ไม่ยอมรับบอกผิดเห็นตัวอยู่ก็ยังไม่ยอมรับติดคุกติตบบด牢แล้วไปถามยังวะ้องหาว่าขโมยนั่นขโมยนี่ไปเท่าอีกทั้งทั้งที่เราขโมยคือความไม่ยอมรับตามเหตุผลตามความจริงนั้นเองแล้วภายในจิตใจก็เหมือนกันไม่ยอมรับถ้ามันถึงได้รับความทุกข์ความลำบากแต่อย้อมรับตามหลักความจรงิงแล้วสิ่งที่แสดงขึ้นเป็นหลักความจริงทั้งนั้น ทุกมันเกิดขึ้นมาจากไหนเราก็ทราบไงเราเคยปรากฏทุกขึ้นภายในร่างกายเราตั้งแต่วันรุ่จงจากเลียงสาภาวะมาแล้วยุคความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าหากว่าเราพอจะทราบค้นดูสาเหตุมันแล้วเรื่องเหล่านี้ถึงจะทุกจะมีความทุกข์เกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นความทุกข์ภายในจิตใจซึ่งเป็นการเพิ่มเข้าอีกต่อห น, นึ่ง สำคัญที่การครบคาสมาคมกับบรณฑิต น, นักปราชญ์ท่นานหนถ้าเรายังไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ก็ต้องอาศัยครูอาจารย์ท่านคอยแนะนํา ส, สอนทุกวันค่อยซืมซ่าเข้าไปทุกวันทุกวันด้วยการได้ยินได้ฟังแล้วค่อยกลมกลืนกันเข้าไปกับผลิตนิสัยกับโอวาทของท่านต่อไปก็สามารถรักษาตัวได้เป็นอัตตหิตนโนาโถขึ้นมาโดยต้องอาศัยอื่นเสียก่อน การอยูด่ด้วยกันกับผู้ดีมันต้มีความกลมกลืนกันไปโดยลําดับเช่นเดียวกับการคบค้าสมาคมกับคนชั่วนั่นเองที่แรกเราไม่ได้เป็นคนชั่วแต่เวลาคบค้าสมาคมกันไปนานๆมันก็กลุมคืนกันไปเองเวลารเป็นคนชั่วดองนี้รู้สึกตัวและเมื่อชั่วเต็มที่แล้วก็คือว่าตัวดีนั่นแหละทินเข้าใจว่าตัวดีแล้วมันกลับ่ยไปแล้วมันเริ่มมองเห็นความจริงว่าชั่วเลย เกิดสรรพันยอขึ้นมาแว่าเรามีเราเก่งเราสามารถอืเราเป็นสวยทั้งอันดูชื่อทั้งคนอ่ะเนี่ยมันไปอย่างนั้นเสียเพราะการคบค้าสมาคมกับครูกับอาจารย์กับบัณฑิตนักปราจึงเป็นความสัมม้องการตลอดผู้วังดีหวังความสุขความเจริญโดยลําดับสำหรับตัวเองเพราะท่านสอนทุกวันอบรมทุกวันปิยามายาของท่านที่ เราได้เห็นทุกวนันทุกวันนั้นเป็นเครื่องซืมซาบหรือบำรุงจิตใจของเราไปโดยลำดับไะยึดเป็นคติด้ว่อยๆเรื่อยๆท่านพูดออมาในแง่ไหนเป็นอัดเป็นธทำทั้งนั้นท่านผู้สิ้นก่เลสแล้วก็ยิ่งอย่างที่ท่านจานมั่นเป็นความแน่ใจของท่านสิ้นกิ เ, ลเหลสทางอัดทางทำบางท่านมันหายสงสัยโดยท่านไม่ได้บอกว่าท่านชิน้นท่านไม่ได้บอกท่านเป็นทอหัดอรหัดอราหันอะไรเลยแต่ความจริงบอกอยู่ต้งโต้งโง เราหาความจริงทำไมจะไม่เชื่อความจริงทางการพิจารณาถึงเรื่องทุกขเวทนานี i s จึงเป็นเรื่องสำคัญก็ได้อุบามาจากท่านจันมั่นท่านเอาจริงเอาจังเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆสาหรับผ้าผู้ปฏิบัติอยู่ในวัดทันแล้วบางทีท่านเดินไปเองพิจารณายังยไงท่านป็นย้ำลงไปเลย ค้นลงตรงนี้มันทุกข์ที่ตรงไหนให้เห็นความจริงของทุกข์แล้วก็สอนวิธีที่จะหนาอย่าไปถอยความถอยนั่นแหละคือความเพิ่มทุกข์ทันหวางนั้นนะความเป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งที่จะได้ชัยชนะคือรู้เท่าทันกับทุกเขเวทนา ซึ่งเราถือว่าเป็นค่าสิดต่อเราความจริงเมทนานั้นไม่ได้เป็นค่าสุดต่อผู้ใดในความรู้สึกของไม่มีอย่างนั้นเป็นคําจริงหนึ่งเท่านั้นนะท่านสอนให้พิจารณาลงไปทุกมากทุกน้อยเราไม่ต้องไปคิดไปคาดความหายของมันขอให้ทราบความจริงของมันด้วยปัญญาของเราแล้วใ จ, จเราจะไม่โกหกจะขอตันว่าใจเราเนี่ยแต่โกหกเพราะผู้ที่โกหกมีอยู่กับใจอื มันก็พาใจให้ไปโกหกความโกหกกับความโง่มันก็เชื่อกันได้ง่ายทาไมอนนะนถูกต้องความโกหกกับกับกับคนโง่คนฉลาดหรือคนโง่มันก็หลอกกันได้ง่ายความฉลาดของยุเลดกับความโง่อของเรามันจะเข้ากันได้ง่ายนทำทําพันยันแยกเอๆให้พุทธนา จนถึงความจริงแล้วเชื่อด้วยความจริงนั่นแหละเป็นการได้ชัยชนะไปะดูลํำดับลำหนักอ่ะแยกแยกให้มันเห็นทุกขี้นทุกอันอย่าแยกจิตหิไปไหนอ่ะทุกมากทุกน้อยให้อยู่ที่ตรงนั้นอ่ะพิจารณาอยู่ที่ตรงนั้นถ้าจะจ้องก็จ้องอยู่ที่ตรงนั้นถ้าพิจารณาสาเหตุของมันมันเป็นมาจากไหนก็ให้ค้นลงไปคําว่าทุกข์มันมีอาศัอาศอาศายอะไรเป็นที่ตั้งน มันอาศัยกายเป็นที่ตั้งเนี่ยมันอาศัยความรู้สึกเป็นเหตุที่จะให้ทุกข์กำเนิดนั่นวะความรู้สึกมันหมายไปต่างนานานั่นแหละทุกข์มันกำเนิดขึ้นความรู้สึกไี่ต้องแก้ได้ด้วยการพิจารณาคือให้ทราบทั้งเรื่องของทุกข์ว่าเป็นเช่นนั้นทราบทั้งฐานที่มันเกิดเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์เช่นร่างกายในส่วนใดก็ตา ม, ม, ามให้ทราบไม่ชัดว่าฐานอันนั้นมันมันเป็นทุกข์จริงจริงไหม ว่าเป็นที่เกิดก็เป็นความรู้สึกของเราไปหมายเขาว่าเป็นที่เกิดแต่ก็ควรให้ทราบทันว่าเห็นมันทุกข์ในกระดูกในเนื้อในหนังส่วนใดเนื้อหนังนั้นก็เป็นเนื้อหนังอยู่เช่นนั้นทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่เช่านั้นแม้จะอาศัยกันอยู่ก็เป็นคนละชิ้นละอันไม่ใช่อันเดียวกันจิตผู้รับรู้ราตุธาบถึงนั้นก็เป็นจิตอันหนึ่งแต่จิตนี้ เป็นผู้หลงและก็ไปสําคัญมั่นหมายว่านั้นเป็นทุกนี้เป็นทุกรวมทั้งหมดนั้นเข้ามาเป็นตัวว่าเราทุกขี่นั่นเราทุกขี่นี่ไม่อยากจะให้เราเกิดความทุกจากจะให้เราหายเปเสียความอย่างนี้ก็เป็นกิเลสอันหนึ่งขึ้นมาก็เสริมกันเกิดความทุกความลํำบากมากขึ้นใจก็ทุกร่างกายที่เป็นทุกขเวทนาทางกายก็ทุกทางใจก็กําเริบพุดีด้วยความทุกเพราะอยากให้เป็นหย่างใจหวังเพะเลยเสริมกันขึ้นไปนี่เพราะความ โอ oh, ของตัวเองอนะแต่คํามฉลาดต้องพิจรารณาหนึ่งทุกเวทนามันมีอยู่ในจุดใดเกิด จ, จากอะไรหรืออาศัยอะไรอยู่อาศัยร่างกายร่างกายส่วนใดเวลานี้ทุกมันเด่นอยู่ที่จุดใดแล้วก็ดูร่างกายกับจกับเวทนา มันเป็นอันเดียวกันไหมรูปรูปลักษณะเหมือนกันไหมเวทนาไม่มีรูปไม่มีลักษณะท่าทางต่างๆตาปฏแต่ความทุกข์อยู่เท่านั้นส่วนร่างกายมันมีมีรูปมีร่างมีสีสันมันละมันก็มีอยู่ของมันอันหนึ่งเวลาทุกข์เกิดขึ้นมันก็มีอยู่เช่นนี้ทุกข์ดับไปมันก็มีอยู่เช่นนี้ทุกข์เป็นอันหนึ่งต่างหากจากสิ่งนี้ มี้ตามความปีหากอาศัยความวิการของร่างกายมันเกิดขึ้นมาแล้วจิตก็เป็นผู้ไปรู้เป็นผู้รับทราบถ้าจิตมีปัญญาก็เพียงรับทราบเข้าใจตามความปีของมันจิต ก, ก็มีไม่มีความกระทบกระเทือนถ้าจิตรุ่มรุ่มหลงจิต ก, ก็ไปยึดถึงนั้นเข้ามาคือไฟนั่นแหะความทุกข์นั่นแหะเข้ามาเป็นตนเป็นของตน แล้วก็อยากให้ทุกอันนี้ที่ว่าเป็นตนเป็นของตนนี้หายไปนี่หนะมันแยกกันไม่ออกทุกก็มาเป็นตนแล้วจะไปแยกกันออกได้ยังไงถ้าไม่เห็นว่าทุกเป็นความจริงอันหนึ่งต่างหากร่างกายเป็นความจริงอันหนึ่งต่างหากนี่มันถึงจะแยกได้ถ้าว่าสิ่งเหลนี้เป็นตนแล้วแยกมนันยังคําก็ไม่ออกเพราะ อ, อันนี้เป็นตนจะแยกไหนตนไม่แยกจะไม่ได้อยากให้นี้ไปไหนอ่เป็นตนหนีอันนี่มันมาเข้าเป็นอันเดีมแยกกันไม่ออก ในกจรพิจารณาเข้าไปถึงความจริงอยู่แล้วมันต่างอันต่างอยู่จริงของใครของเราอยู่เช่นนั้นอย่างซึ้งภ า, ายจในจิตใจแล้วทุกข์ขวัญระงับลงไปแล้วงับลงไปก็รู้แล้วเครื่องสื่ต่อของทุกข์ที่จะให้เข้ามาเกี่ยวเนื่องกับใจนั่นก็ออกไปจากใจมันค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาถึงใจทีเดียวเรื่องเรื่องทุกขเวทนามันออกไปจากใจที่เป็นหมายเนี่ยที่เป็นทุกขเพราะมัน มีสายสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยทางอุปทานอย่างลึกรับเราไม่ทราบเวลาพิจารณาเช่นนั้นอย่างชัดเจนนะเราถึงจะตามจังทุกเวทนาเข้ามามันลูกเข้ามาลูกเข้ามาหดเข้ามาจนก็ยนเข้ามาจนกระทั่งถึงใจพอทราบว่าใจนี้เองเป็นตัวไปก่ออุปทานขึ้นมาแล้วถือทุกข์ก็เป็นตนจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมากหนย พอมันทราบพอนีทุก็ระงับลงไปแล้วดาบนั่นประการหนึ่งพอทราบเช่นนี้ทุกก็จริงใจก็ไม่ไปยึดถึงทุกจะไม่เกิดก็ถึงทุกจะไม่ดาบก็ตามเรื่องจิตก็เป็นจิตไม่สื่อต่อกันด้วยอุปทานรูปต่างอันต่างจริงนี่เรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวมีความรุ่นเรืองมีความสุขอยู่ภายในตัวในท่ามกลางแห่งความทุก์แห่งขันนี่ ชื่อว่าผู้จีมี่สำหรับผู้ดําเนินเนี่ยกำลังดําเนินปฏิ ป, ปาทาคือกําลังดําเนินเพื่อความรู้เท่าทาันกับขังห้ามีเครตนาขันเป็นต้นคือทุกเครตนาเป็นข้นอมันแต่สําสหรับท่านผู้ที่เข้าใจโดยตลอดทั่วถึงเป็นอคุปะคือไม่มีสิ่งใดที่จะกําเริบเป็นอื่นไปแล้วนั้นท่านไม่มีปัญหาอะไรเลยจะเป็นทุกมากทุกน้อยไม่มีปัญหาทั้งสิ้น เพอจริงอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่จิตของท่านที่บริสุทธิ์แล้วจะกลายเป็นความสมองจะกลายเปโรคขึ้นมาไม่มีทางจะเป็นได้เช่นนั้นราะฉะนั้นอาการหนึ่งขันจะแสดงขึ้นมาอย่างไรท่านเป็นทราบตามหลักธรรมชาติอนั้นก็เกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของเขาดับไปตามธรรมชาติหรือตั้าอยู่ตามธรรมชาติแล้วดับไปตามธรรมชาติของเขาจิตกระลู้ตามธรรมชาติของตนโดยไม่ต้องบังคับบัญชากันแต่อย่างแต่อย่างไรนี่คือจิตของท่านผู้ที่ รู้รอบขอดคิดโดยตลอดทั่วถึงแนวเป็นอย่างนี้ใี้เรากําลังพิจารณาก็เพื่อจะให้มันทราบแถวแนวก็เ ป, เป็นลำดับแม้จะไม่เป็นอย่างนั้นในระยะที่เราต้องการนี้ยังให้สมหวังก็าตามแต่แนวทางที่เราจะพิจารณาทุกทั้งหลายเพื่อแยกกิจของเราออกจากทุกไม่ไปฟัวพันในทุกและไม่ถือทุกว่าเป็นตนเมื่อเวลาทุกเกิดขึ้นมากๆหรือน้อยก็าตามไม่ไป พอเอาทุกข์นั้นมาเป็นตนแล้วมาเผาตนเราก็สามายเพราเรารู้เท่าทันทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์จึงเป็นหินลับสติปัญญาของเราเอา้ามันจะเกิดขึ้นมากน้อยยังไงก็ตามให้กําหนดสติปัญญาต้องมีตรงนั้นแล้วถอยกลับมาดูจิตแล้วยายออกไปออกความรู้ออกไปหาทุกเวทนาออกไปหากายมันเป็นคนละสัดละส่วนอย่อยางชัดเจนกายก็เป็นส่วนหนึ่งเวทนาเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่ง ถอยกันไปถอยกันมาอยู่นี่เพื่อทดสอบทางสติปัญญาของเราเมื่อหลายครั้งหลายหนเราเข้าใจก็สูมภาพซึ้งลงไปโดยลาดับลดับที่นีแยกกันได้เรื่องหน้าของปัญญาแต่สมมติว่าถึงคราจะแตกัะดับจริงๆก็ต้องเป็นอย่างนี้และไม่ต้องกลัวว่าทุกข์เราจะล่มจมให้ไหนในเมื่อมีสติมีปัญญาที่ชนะอยู่กับทุกขเวทนาอยู่แล้ว คือจิตเราอยู่กับสัจธรรมอยู่กับหินรับปัญญาปัญญาจะคงต้ากิตเราจะผ่องใสเป็นำดำดำดบเพราะเรื่องของปัญญาเป็นสําคัญฐานดับในะขณะนั้นมันก็มีปัญหาอะไรให้มีทางล่มจมอมีประการหนึ่งถ้าลงมีสติปัญญาต่อสู้อยู่กับทุกขเวทนาอย่างไม่ถอยหลังแล้วขณะมันจะนับนจริงมันก็จะทราบว่าทุกขเวทนานี้จะระงับดับไป คนจิตจะไม่ดับมันจะถอยตัวเข้ามาลูดโดยลำพังตนเองแล้วผ่านไปเลยนี่อย่างหนึ่งแต่เชื่อแน่ว่าผู้มีสติแม้จะยังไม่เป็นผู้สิ้นจากที่เรศก็ต า, ามจะทราบชัดในขณะที่ทุกเวทนาเกิดขึ้นเต็มที่จนกระทั่งทนอยู่ไม่ได้แล้วจะสลายตัวไปเรียกว่าจะตายเราจะทราบจนกระทั่งขณะทุกเวทนาจะระงับดับตัวลงไป แล้วจิตถอนตัวออกจากนั้นมาสู่ความเป็นจิตเรียกว่าเป็นตัวของตัวแล้วก็ผ่านกันไปอันนี้เรกสูงจิตและวเอียดอันนั้นก็ไปผ่านไปจากนั้นแต่แล้วเราจะไปไหนก็ไปที่ทุกเวทนาเป็นของเกิดของดับเราจะหาตามมันที่ไหนมันเกิดมันกระดับของมันไปเรื่อยเนี่ยอะไรอะไรที่ เราทราบชัดเจนแล้วปล่อยมันไปทางจัลร่างกายทนไม่ไหวให้มันปล่อยเวทนาไม่ต้องบอกมันไปใหมันเองนี่เรียกว่าสุ ข, ขัโดเหตุการพิจารณาจิตใจเห็นประจกักษ์สำหนักผู้ปฏิบัติถึงข่าวจนตัวสิ่งแล้วไม่หวังพึ่งใครทั้งนั้นเลยว่าอยากมิตรเพื่อนฝูงใครต่อใครทั้งหมดต้องถอยจิตออกมาให้หมดกับสิ่งเกี่ยวข้องพอพันทั้งหลายเข้ามาสู่จุดที่มันกําลังประจัน ลุมบอลกันอยู่เวลานี้คือทุกเวทนานั่นแหละสำคัญในขณะที่จะแตกกระดับเราไม่ถอยเป็นยังไงเป็นการขอให้รู้ให้เข้าใจกับเรื่องนี้เท่านั้นเราไม่ต้องไปคิดว่าการพิจารณาทุกเวทนาวุ่นวายนี้แล้วเวลาตายแล้วติดมันกําลังวุ่นอยู่นี่มันจะไปทุกเหลือจะไปที่ไหนวุ่นก็วุ่นกับงานอันดีตอดีชอบนี่วุ่นด้วยทั้งรู้ไม่ใช่วุ่นโดยความหลงนี่เราต้องเราพิจารณาเราค้นเราค้นอย่างนั้นเวลามันจะดีไปดีเวลามันจะไปจริงมันรู้นี่ ผู้มีสติอืน่นท่านถอยภาพเข้ามาทันทีปล่อยนั่นทันทีแล้วถอยภาพเข้ามาสู่ตัวของตัวเป็นตัวของตัวคือกิจต้นรวนแล้วผ่านเลยนี่เรียกว่าสุขโตเป็นภูมิของผู้ปฏิบัติงั้จะไม่สิ้นที่เด็กก็ตามก็จะกว่า M, เต็มเต็มกำมีกําลังเต็มตัวเต็มภูมิการพิจารณาติดตะนาจริงเป็นเรื่องสาคัญมากและพึ่งเป็นพึ่งตา ก, กันหน้าจริงๆนี่ ของหวังทึ่งไทยทั้งนั้นเป็นที่แน่ใจาภายในตัวเองสติปัญญากําลังบิดต้องเหลามันรู้ภายในตัวไม่ต้องประทานมาไทยไมีผลดชัชนดังนี้ถ้าหากว่าเราสามารถพิจารณาจนกระทั่งมันขาดได้ในขนาดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขาดได้เลยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วเราจะไปคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นคารว่าเราไม่สามารถที่จะทํา ท่านมี่านให้แจ้งอันนั้นเป็นความสําคัญผิดท้องเราซึ่งเป็นเรื่องของขีเหร่หลอกอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันทํามันเป็นของจริงเสมอกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนว่านักบวชและคารวะสติปัญญามีได้ด้วยกันแจ้กิี้เหรได้ด้วยกันเมื่อพอจะแก้กิี้เหร่ได้ด้วยอุบายและวิธีใดของหญิงใดชายใดคารวะใดพระองค์หดก็ตามสามารถแก้ได้ทั้งหมนและพ้นผูกไปได้ด้วยกันเราไม่เราไม่ต้องไปคาดหมายเสียไปเรื่เวลาว่าเรามีอํานาจลักษณะน้อยอย่าไปคิดอืม เรากำลังสร้างอันนี้มากหรือน้อยก็เห็นด้วยกับกิจนี่แหละที่จะนามมันโง่ที่ตรงไหนพยายามสังสมความฉลาดขึ้นมานี่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรมของพระยาแฉ้ถือเรามาตามนิติตนว่าอยู่ในชั้นนั้นชั้นนี้หรือไปที่ไหนคนนั้นแซงเราคนนี้แซงเราเนี่มันเราสำคัญต่างหากแล้วก่อทุกให้เราเกิดความท้อถอยน้อยใจตัวเองนั่นหาอุบายค่าตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะ่ะอาจะไปคิดอย่างนั้นวาสนาเต็มตัวทุกคนทำไมจะไม่เต็มตัวเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นนักบำเพ็ญอยู่ด้วยกัน อวาสนาไม่ใช่เป็นของ อ, ออกมาตลาดร้านค้าพอจะประกาศหรือแข่งขันกันมีอยู่ด้วยกันทุกคนท่านไม่ให้ประมาทกันเรื่องอํานาจวาสนามีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทุกคนแม้ถ้าศาสตร์ท่านจะาม่ให้ประมาทที่ ด, ดีมันมีอยู่ภายในจิตใจของาศาสตร์นะการแก้ทีเหลือกตก้อเหมือนกันเราไม่ต้องไปคิดให้เสียวเวลาเป็นการทําลายกําลังของตัวเองหรือความมุ่งมั่นของตัวเอง ให้ด้อยลงไปด้วยการเชื่ว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายหือเราเป็นนักบวชวันเราเมื่อเราไม่ได้เป็นนักบวชเราอยู่ฆราวาสอันนั้นเป็นความหมายหนึในตางหากส่วนความที่ถูกต้องจเป็นแล้วเราทําความเพียรนะด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อจะแก้ที่เลียเช่นเดียวกับพระ พ, พ, พ, พุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตลอดทุกนักบวชท่านเนี่ยทาเป็นทําเหมือนกันหมดผู้หญิงก็ก็มีได้สติปัญญาเพราะผู้หญิงผู้ชาย มีกิเลสด้วยกันการแก้กิเลสแก้ด้วยสตยิแก้ด้วยปัญญามีความเพียนเป็นเครื่องหนุนและกิเลสไม่อยู่ไหนมีอยู่ที่ใจด้วยกันเมื่อสติปัญญาทันกันเมื่ อ, อไรแล้วเป็นผ่านมาได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีปัญหาและจะต้องเป็นนักบวชนี่คือความจริงแห่งศาสนาธรรมที่ไม่เลือกชาติชั้นบรรณะมรรดาที่เป็นมนุษย์แล้วไม่เลือกเพศหญิงเพศชายขอให้บำเพ็ญเพราะทำเป็นกลาง ฟังได้เข้าใจได้โดยกันท่านหญิงทั้งชายท่านาานักบวชแล้ค่ะว่าปฏิบัติได้แก้ที่เลดได้กิเลดก็ไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนี่กิเลดด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่พระเป็นนักบวชมันก็มีกิเลดจะ่วางไงท่านจะต้องแก้ของท่านเนถ้ยท่านไม่แก้ก็นอนจมกับทีเลดเช่นเดียวกับคนทั่วไปนั่นแหละหรือยิ่งมากกว่านั้นก็ได้ไม่สําคัญกับพระมว่าเป็นนักบวชมันสําคัญคือการแก้กิเลดด้วยความภาคเทียนนี่เป็นสิ่งสําคัญมากเราจะต้องสนใจในจุดนี้ นี่ยแล้วความพ้นทุกพ้นที่ไหนพ้ทนที่มีทุกนั่นแหละแก้ทุกได้แลว้วก็พ้นทุกถ้าแก้ไม่ได้จะเป็นเพศไหนก็ตามแต่นอนจมฤตในทุกด้วยกันนี่แนะวาสนาอยู่ที่จิตถ้าทําให้อาภัพก็อาภัพได้อยู่ที่จิตทั้งนั้งน่ะจะเป็นนักบวชฆราวาสนั้นอาภาพัพในทางนั้นจะทําให้วาสนาหรือศาสนารุ่งเรืองขึ้นภางในกิตใจก็ทําได้ศาสนาจเจริญเจริญที่ไหนจเจริญที่ใจไม่จเจริญที่อื่นสําคัญที่ใจ สำคัญ ท, ที่การปฏิบัติของคนเราทีายามมาย่าการประพฤติแสดงออกก็เมื่อใจมันจเจริญนั้นมันจเจริญทั้งนั้นแหละพรยิยามมาย่าที่แสดงออกสวยงามน่าดูน่าชมแต่พาะ อ, อย่างยิ่งใจให้มีความจเจริญรุ่งเรืองภายในติดนภายในตัวมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวอยู่เสมอแล้วว่าเรียวกว่าใจที่มีความจเจริญกิเลสไม่ค่อยจะมาทำลายได้เรียวกว่าศาสนาเจริญเอาพยายามพิจารณาแก้ไขไปโดยลํำดับไม่มีกว้างไม่มีแคบไม่มีมากมีมาอะไรนี่อยู่ที่หัวใจเท่านั้น พิาจารณาลงไปที่ตรงนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายแล้วบวดแล้วคลว่าดีอยู่ที่หัวใจด้วยกันหนาแน่นขนาดไหนเราคิดดูอย่างความมืดมันจะมืดมาตั้งกับตั้งกันก็ตามพอเปิดไฟขึ้นเท่านั้นเนี่ยความมืดมันหายไปหมดมันไม่เห็นอะไรมาอวดว่าข้าเคยมืดมาตั้งกับทั้งกันแล้วเพียงไฟที่นี่จะมาเปิดให้เขาไล่ความมืดของข้าเจ้าออกนี้นั่นเป็นจะไม่ได้มันไม่มีทางเมื่อเหตุผลมันพร้อมกันแล้วมันหายไปหมด ควาสว่างเกิดขึ้นความมืดมันจะเกิดมาตั้งกับทั้งกันมันดับไปหมดพิเลศมันจะหนาแน่นเป็งไรก็ตามขอให้พิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อปัญญาสามารถแล้วมันรอบตัวทันทีพิเลศ จ, จะเยอยในจิตใจเรามาตั้งกับตั้กันก็เช่นเดียวกับความมืดที่เคยมีอยู่นั่นแหละพอตามพายขึ้นมามันก็สว่างจ้ามีตามปัญญาขึ้นมาภายในจิตมันก็สว่างช้าด้วยกันทั้งนั้นนี่มีเท่านี้เป็นจุดสําคัญที่เราจะต้องพิจารณาหาให้เห็น ศาสนาอัศกรรอัศจรรยที่ไหนศัสนาเจริญเจริญที่ไหนไปยินว่าถนนพ้นทุกพ้นทุกพ้นที่ไหนมีอยู่ที่ใจนี้เท่านั้นขยายมาก็ราะสัจธรรมทุกขโมงไทยน่โรธมากทุกเราก็ทราบว่าทุกเพราะเราไม่ใช่คนตายขโมงไทยคือสิ่งที่จะเสริมส่งเสริมทุกให้เกิดเป็นเครื่องผิดทุกให้เกิดมีอะไรบ้างท่านกล่าวว่านั้นที่ราคาสหัสตาตาตาตาตาเพียงมีเซ่ยที่ดันคำ การมตนาเพราะว่าศนาวิพาว่าัญหาเป็นต้นแน่แล้วก็ทราบอะไรที่มันนัดมันใขรักไขในสิ่งใดบ้างแล้วก็พยายามแก้ไขมันรักใคไขในขันห้าเอาเฉพาะอย่างยิ่งนะในขันห้าพยายามรู้เท่าทันมันโดยลําดับเอารักไขในจิตหจิตในจิตสงุนในจิตแก้ไขมันพรอมันนัดที่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวพิเลศมันอยู่ที่ตรงนั้นแก้เข้าไปแก้เข้าไปจนกระทั่งมันถึงความจริงแล้วไม่รักไม่ชัง หมดแล้วเรื่องกิเลสหมดแล้วความรักความทางความเลียดความโกรธมันก็ไม่มีเป็นหลักธรรมชาติภานในตัวรุนรวนนั่นลหละท่านเรียกวันธรรมชาติที่ต้องการแล้วการพิจารณาก็คือมากแก้สมุทัยไปในตัวเช่นความรักความทางกันต้นเนี่ยแก้ภ า, ายในจิตท่าน นิโรธก็คือควาดับทุกขนั่นเองดับไปโดยลําดับําดับจนกระทั่งมีความสามารถเต็มที่แห่งมากแล้วนิโรธก็ดับไปโดยสิน้นเชิงไม่มีเหลือขณะที่นิโรธดับไปหมดแล้วนิโรธดับทุกไปหมดแล้วอะไรที่รู้ว่าทุกข์ดับไปที่เลียนดับไปอะไรที่รู้ผู้รู้นั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์นี่นีนอกจากสัจธรรมไปเคลืออันนี้สัจจานั้นสัจธรรมนั้นเป็นกิริยาเ ป, เป็นอาการเป็นสมมุตินิโรธก็เป็นสมมุติต้อง เป็นกิจยาที่ดับเพิ่หนึ่งนั่นเป็นกิจยาสมุความดับไปหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเหลือที่จะให้ดับแล้วเหลือแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นไม่ใช่สัจธรรมนั่นคือความบริสุทธิ์ของจิตถ้าจะเรียกนิพานก็เรียกได้เรียกอะไรไม่ขัดใครทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นไม่ขันแล้วไม่ขัดไม่แย้งใครทั้งหมดตัวเองก็ไม่แย้งอะไรก็ไม่แยง้งรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างพูดไปได้เท้งนั้นแหละมีปัญหาอะไรเลยขอให้มันรู้อันนี้เน่ยนี่แหละศาสนา แท่อยู่ที่ตรงนี้พ้นในการปฏิบัติศาสนาก็มารู้ที่ตัวเองเนี่ยศาสนาเจริญเจริญที่นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้สารโลกพ้นจากทุกข์พ้นที่นี่เองไม่ได้พ้นที่ไหนเราก็เป็นสารโลกผู้หนึ่งและอยู่ในข่ายแห่งโกว่านธรรมสองฤาษีเจ้าอยู่ในข่ายแห่งความพุทธบริษัทอเป็นผู้มีสิทธิด้วยกันในการปฏิบัติการตอถอนกิเลสให้พ้นจากทุกข์ในบริษัทสิน่นี้มีสิทธิด้วยกันทั้งนั้นที่จะทำเป็นให้แจ้งถึงปริฐานได้ คอยพินิจพิจารณาทาความกล้าหาญต่อสู้กับสิ่งที่ควรต่อสู้ภายในจิตใข้งตนสังสมความกล้าหาญสังสมส ต, ติปัญญาขึ้นให้เพียงพออุหาอุบายคิดค้นต่างๆให้เกิดขึ้นจากตัเองโดยคิดค้นเองนั่นแหละเป็นที่ชอบทำเป็นสมบัติของตนแท้ผููวาการขานยิบยื่นให้เป็นชิ้นเป็นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งต่าพอเป็นเงื่อนหรือพอเป็นเชื้อที่เราจะนำไปพินิจพิจารณาให้แตกแขนงกลายเป็นธรัมดของเราขึ้นมาถ้าอันใดที่เกิดเป็นธรัมด ของเราขึ้นมาด้วยอุบายของเรานั้นกินไม่หมด ừ, มันหากคิดหากคนไปร้อยแต่ธนรบรรการเพื่อถอดถอนกิเลสในแง่ต่างๆเอาจนกทั่งกิเลสหลุดลอยไมีเหลือเพราะอุบายของเราเองทั้งนั้นนี่โดยที่อาศัายครูอาจารย์หยิบยื่นให้เป็นต้นทุนนี่แหละเป็นธรรมของเราแท้เกิดขึ้นมากน้อยเป็นธรรมของเราทั้งหมดทิ่งนี่เป็นสมัติของเราแท้แล้วเรียนจากครูจากจากตาหนักตําราก็เป็นของวิเจ้าหยิบยื่นท่านมาจากครูอาจ า, กการย์ก็หยิบยื่นท่านมา เว้นแต่ว่าจริงแะที่เวลาท่านแสดงมันเข้าใจในขณะนั้นแก้กิเลสในขณะนั้นก็เป็นสมบัติของเราขึ้นมาในขณะที่ฟงังเพราะฉะนั้นเราก็แยกแต่จากออุบายขท่านไปพิจารณาให้ควรแตกแขนงออกขึ้นด้วยอุบายของเราเองเป็นสมบัติของเราทั้งฝ่ายเหตุคือการพิณิพิจารณาทั้งฝ่ายผลคือที่เราได้รับเป็นที่ถึงพอใจเดยลำดับจนกระทังง่งถึงความทุกข์นั้นเป็นผลของเราเรล้วนๆนีอยู่กับเราไม่ใหผู้ใดมาแบ่งสรรปันส่วนเอาได้เลย นี่แหละความเลิอดเลิดขึ้นที่นี่ไม่เลิอที่ไหนแ่ละฉันงพยายามหาความเลิอดความรู้สึซึ่งมีอยู่ในตัวของเราความรู้นี่แหละไม่ใช่อื่นใดที่จะเป็นความเลือดความรู้สึแต่เวลานี้มันถูกสิ่งตัวกระปกขโมมหาคุณค่ามาด้านั้นปกคลุมม้หออยู่จึงกลายเป็นของไม่มีคุณค่ามีราคาไปก็คือใจนี่แหละเวลานี้เราคลำลังมคลำรอบปอกหนึ่งโดยเดินโดยระดับหนึ่งหมึกบอกให้เต็มที่แล้วมันก็เป็นความเลิอขึ้นมาเลิอที่ตรงนี้แล้วไม่ต้องไปหาอะไรอีกแล้วพอถึงเงินพอ อา a มณ์ยุติเป็น k บนี้่าฮ่าฮ่ามึอ